สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยมิบานะครับในเช้าวันนี้เรากลับมาอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่12พระธรรมหนึ่งพงศษบทที่12นั้นก็พูดถึงเรื่องของการกรบฏครับการที่อิสราเอลฝ่ายเหนือกบฏต่อเรโหโบอัมซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์โซโลมอนพี่น้องครับใ น, พ ร, นพระเจ้า 1, พระเจ้าหนึ่งงษนั้นทั้งหมดนั้นมี22บท 11บทแรกนั้นพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองและความตกต่ำของกษัตริย์โซโลมอนตั้งแต่บทที่12ซึ่งจะบรรยายในวันนี้เป็นต้นไปก็จะพูดถึงเรื่องของอาณาจักรที่แตกแยกออกเป็น2เสี่ยงครับก็คืออาณาจักรอิสราเอลฝ่ายเหนือและอาณาจักรยูดาห์ฝ่ายใต้พี่น้องครับส3ามวันที่แล้วผมได้กล่าวถึงบทสรุปของชีวิตของกษัตริย์โซโลมอนให้กับพี่น้องฟังแล้วว่าเนื่องจากว่า ท่านมีมา้า ม, มากเมียมากและความมั่งคั่งมากจนเกินไปและไม่สามารถควบคุมการที่มาเหสีทั้งหลายของท่านซึ่งรวมกันทั้งหมดเนี่ยหนึ่คนนะครับรวมกันทั้งหมด1000คนไม่สามารถควบคุมได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการที่มาเหสีต่างๆงนงั้นก็นําเอาพระต่างชาติเข้ามาในดินแดนอิสราเอลเข้ามาในเยรูซาเล็มแล้วขษัตรย์โซมอนก็ปรีประนอมครับ ทำให้ในที่สุดแล้วอาณาจักรก็แตกแยกออกโดยการทรงนำของพระเจ้าแต่ไยงไก็ตามพระเจ้าก็ยังสัญญาว่าจะไม่ทิ้งพงพันธ์ของกษัตริย์ตาวิทย์ครับลูกของโชลม่อนคือเลโหวาอัมก็ขึ้นครองเป็นกษัตริย์พี่น้องครับในบทที่12นั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่24ครับโปรดฟังพระเจของพระเจ้า เลห์โบอามเชิญ ไ, ไปที่เชียเกเ็มเพราะชาวอิสราเอลทั้งปวงผ่ากันไปที่นั่นเพื่อตั้งเลห์โบอามขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อเยโรอัมบุตรเนบัตรทราบข่าวจึงกลับมาจากอียิปต์พวกเขาก็ส่งคนไปตามเยโรอัมมาแล้วเขากับชุมนุมประชากร อ, อิสราเอลทั้งปวงก็เข้าไปเฝ้าและทูลเลห์โบอัมว่าราชบิดาของฝ่าพระบาททรงวางแอกหนักให้พวกข้าพระบาทบัดนี้ขอทรงผ่อนภาระและบรรเทาแอกที่วางไว้ และพวกข้าพระบาทจะรับใช้ฝ่ า, าพระบาทเรโฮโบอัมตัดตอบว่าให้เวลาเราสามวันและพวกท่านค่อยกลับมาพบเราประชากรจึงกลับไปกษัตริย์เรโฮโบอัมทรงหารือกับบรรดาผู้โสซึ่งเคยถวายคาปรึกษาแก่โซลมอนราชบิดาเมื่อครั้งยัง ท, ทรงพระชนอยู่ว่าท่านว่าเราควรตอบประชาชนเหล่านี้ว่าอย่างไรพวกเขาทูลว่าหากวันนี้ฝ่ า, าพระบาทจะเป็น ผู้รับใช้ประชาชนปฏิบัติเขาและตอบตามที่เขาต้องการพวกเขาก็จะเป็นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเสมอไปแต่ไรโหโบอัมไม่ฟังคําแนะนําของผู้โอโสกกับปรึกษาพระสายหนุ่มๆซึ่งเติบโตมาด้วยกันและรับใช้พระองค์อยู่พระองค์ตัดถามพวกเขาว่าพวกเจ้าจะแนะนําอย่างไรเราควรจะตอบคนที่มาพูดกับเราว่าขอทรงผ่อนปลนแอกที่ราชบิดาของฝ่าพระบาทวางไว้บนเหล่าข้าพระบาทว่าอย่างไร พวกคนหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันกับพระองค์ก็ทูลตอบว่าขอยตรักับบรรดาผู้ที่มาทูลว่าราชบิดาของฝ่าพระบาทจงวางแอกหนักบนเราขอทรงทําให้แอกของเราเบาลงนั้นว่านิ้วก้อยของเราก็หนายิ่งกว่าเอวของเฉ็จพ่ออีกเด็จพ่อของเราวางแอกหนักบนพวกเจ้าเราจะทำให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกเด็จพ่อของเราเคยใช้แทะเขียนพวกเจ้าส่วนเราจะใช้แมงป่องเล่นงานพวกเจ้า สมวันต่อมาเยโวบัมและประชากรทั้งปวงกลับมาเฝ้ากษัตริย์เลโฮโบอัมตามที่ตัดไว้ว่าอีกสามวันค่อยกลับมาพบเรากษัตริย์ตัดต่อประชาชนด้วยท่าทีแข็งกร้าวทรงปฏิเสธคําแนะนําของบรรดาผู้อาวุโสโปร่งชงทําตามคําแนะนําของพวกคนหนุ่มและตัดว่าเสด็จพ่อของเราวางแอกหนักให้พวกเจ้าเราจะให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกเสด็จพ่อของเราเคยใช้แทะเขียนเจ้าส่วนเรา จะใช้แมงป่องเล่นงานเจ้าดังนั้นกษัตริย์ไม่ทรงรับฟังประชาชนเหตุการณ์นี้มาจากองค์พระวิญญาณเจ้าเพื่อให้สําเร็จตามที่องค์พระวิญญาณเจ้าตรัสไว้กับเยโรโบอบัมบุตรเนบัตผ่านทางอาหิยาชาวชีโลเมื่ออิสราเอลทั้งปวงเห็นว่ากษัตริย์ไม่ทรงฟังพวกตนพวกเขาก็ตอบกษัตริย์ว่าเราเกี่ยวข้องอะไรกับดาวิดเรามีส่วนอันใดกับบุตรเจสีอิสราเอลเอ๋ยกับบ้านกันเถิด ให้ดาวิดดูแลปกครองพวกตัวเองไปก็แล้วกันดังนั้นชนอิสราเอลก็พากันกลับบ้านแต่เรโหโบอัมยังคงปกครองชนอิสราเอลซึ่งอยู่ในเมืองต่างๆของยูดากษัตัโโิย์เรโหโบอัมทรงใช้อาโดนีรามไปเกณฑ์แรงงามโยธาตามหน้าที่แต่อิสราเอลทั้งปวงรุมเอาก้อนหินขว่างเขาจนตายส่วนกษัตว์เรหโฮโบอัมรีบหลบขึ้นราชรถเสด็จหนีกับยเยรูซาเล็ม นับแต่นั้นมาอิสราเอลก็กบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนถึงทุกวันนี้เมื่อชนอิสราเอลทั้งปวงทราบว่าเยโรโบอัมกลับมาแล้วก็ให้คนไปเชิญเขามาต่อหน้าชุมนุมประชากรอิสราเอลและแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลมีเพียงเผ่ายูดาห์ที่ยังคงจงรักภักดีต่อราชวงศ์ของดาวิดเมื่อเรโหโบอัมเสด็จมาถึงเยรูซาเลม็มพระองค์ทรงระดมพลรบจากเผ่ายูดาห์ทั้งหมด และเผ่าเบนจามินทั้งหมดรวม 180,000 คนเพื่อทำสงคารามกับชนอิสราเอลกอบกูอ้อาณาจักรคืนมาให้เรฮโบอัมโอรสของโซโลมอนแต่พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงเชไมาอาคนของพระเจ้าดังนี้จงไปบอกเรโโโบอัมโอรสของโซโลมอนกษัตริย์แห่งยูดาชนเผ่ายูดากับเบนจามินทั้งหมดและประชากรที่เหลือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส ด, ดังนี้ว่า อย่าไปรบกับอิสราเอลพี่น้องของเจ้าทุกคนจงกลับบ้านไปเพราะทั้งหมดนี้เราเป็นผู้กระทํำพวกเขาก็เชื่อฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพากันกลับบ้านตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาพี่น้องครับอาณาจักรแตกแยกหลังจากการตายของซูลมอนเผ่าทางเหนือกบฏและอิสราเอลก็แตกแยกออกเป็นสองอาณาจากักรแต่ละอาณาจักรต่อไปนี้ ก็ต่างต้องประชิญกับหายนะเพราะกษัตริย์ที่ชั่วร้ายและเอลียาผู้เผยพระชนะหลายเล็กคนก็ปรากฏตัวขึ้นและต่อว่ากษัตริย์เหล่านี้ที่ทำบาปพี่น้องครับพระเจ้าทรงจัดการกับความบาปอย่างเด็ดขาดครับนั้นก็เนื่องมาจากความบาปของโซโลมอนพี่น้องครับเมื่อความบาปมาถึงที่ไหนวงแตกครับความสามัคคีแตกครับ สิ่งต่างที่เคยทำไว้ดีๆก็แตกแยกกันเราจะมาดูชีวิตของกษัตริย์เรหโหวโบอัมซึ่งเป็นลูกของโซโลมอนเลหโหวโบอัมนั้นขู่จะเพิ่มภาระให้ประชาชนจึงทำให้อาณาจักนั้นแตกแยกการที่อาาจักแตกแยกนั้นเพราะเนื่องจากเรหโหวโบอัมก็ไม่ฟังคำปรึกษา ของบรรดาผู้ที่ปรึกษาของคุณพ่อหรือพระราชบิดาของพระองค์ท่านกลับไปฟังเพื่อนๆกลับไปฟังพระสายหนุ่มๆที่เติบโตมาด้วยกันเลโฮโบอัมนั้นขอคําแนะนําแต่ไม่ได้ประเมินสิ่งที่บรรดาผู้อา ว, โวุโสบอกถ้าจะให้รอบคอบกว่านี้เขาก็คงจะต้องเชื่อฟังผู้อา ว, โวุโสครับเพราะว่าผู้อา ว, โวุโสนั้น เป็นผู้อสที่เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ซูรมอนคุณพ่อของเขาเองฉลาดกว่าคำแนะนำของพวกสหายนั่นคือสิ่งที่เป็นภาวะคุกคามหรือน่ากลัวครับสำหรับบรรดาคนหนุ่มๆนุ่มที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำเร็วเกินไปและไม่ฟังคำแนะนำของผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความชำนาญมีประสบการณ์ อันนี้คือสิ่งที่พระกัมพีได้กล่าวไว้ว่าเราจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีๆอาวุโสและมีไว้มากๆเรามาดูต่อครับว่าทั้งเยโรบอห์และเลโ์หบอัมนั้นต่างก็ทําสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองไม่ใช่ทําสิ่งที่ดีสําหรับคนอื่นหรือประชาชนเลโ์หัวอัมก็โหดเหี้ยมไม่ฟังเสียงประชาชน ส่วนเยโรบอัมนั้นก็ตั้งสถานบสนทึการใหม่ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ประชาชนเดินทางไปเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงการกระทําของทั้งสองคนนี้นะครับส่งผลตรงกันข้ามกับที่พวกเขาคาดไว้การกระทําของเรโหโบอัมทําให้อาณาจักแตกแยกการกระทําของเยโรวอห์อัมทําให้ประชาชนละทิ้งพระเจ้านั่นคือสิ่งที่น่ากลัวครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเป็นผู้นําที่ดีนั้นยอน่อมคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะต้องติด ผู้ตามต้องเกิดผลอยู่ที่ตัวผู้ตามไม่ใช่ตัวผู้นําจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ตามมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้นําเองการตัดสินใจเพื่อตัวเองนั้นจะทําให้เกิดผลตรงกันข้ามครับและเราจะเสียมากกว่าเราจะได้พี่น้องครับการตัดสินใจเพื่อตัวเองจะทําให้เกิดผลเสียและเราจะต้องสูญเสียมากกว่าตอนที่เราคิดถึงก่อนหน้านี้นั่นคือ จุดเริ่มต้นของการแตกแยกอาณาจักรที่ยาวนานต่อไปอีกหลายศตวรรษทีเดียวเราจะเห็นว่าอิสราเอลสเผ่าที่ติดตามเยโรโบอัมไปทางเหนือนะครับแล้วก็อีกสองเผ่าก็ติดตามเรโหบอัมซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์โซโลมอนพี่น้องครับโปรดจำดีๆนะครับเรโหโบอัมนั้นก็คือกษัตริย์ทางใต้นะครับเป็นลูกของโซโลมอน แต่เยโรอัมนั้นเป็นกษตรทางเหนือเป็นพวกที่กบฏและแบ่งแยกดินแดนออกไปแท้จริงแล้วนักวิชาการก็ได้วิเคราะห์ของการถึงการแตกแยกนี้ว่ามันไม่ใช่เกิดจากการแตกแยกกันเพียงชั่วข้ามคืนครับแต่มันเกิดจากความอิจฉาระหว่างเผ่าซึ่งสะสมกันมานานพวกเขาเริ่มแตกแยกกันตั้งแต่ในสมัยของผู้วินิจฉัยมาแล้วโดยพ่ออย่างยิ่งระหว่างพวกเอฟรยียมซึ่งเป็น เผ่าที่มีอิทธิพลมากที่สุดทางเหนือและยูดาซึ่งเป็นเผ่าที่มีอิทธิพลในทางใต้เพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วนะครับคําพยากรณ์ของบรรดาผู้พยากรณ์ซึ่งพูดกับอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับหลายครั้งก็จะเรียกว่าเอฟราอิมเออยและหลายครั้งทีเดียวที่ผู้พยากรณ์ได้พูดกับอิสราเอลฝ่ายใตย้ผู้พยากรณ์ก็เรียกว่ายูดาเออยเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่สับสนนะครับ ว่าอิสยาฝ่ายเหนือ10เผ่านั้นมีเผ่าเอฟราอิมครับเป็นเผ่าผู้นำนะครับสิเผ่ามีผู้นํา1เผ่าคือเอฟราอิมก็จะมีการเรียกว่าเอฟราอิมเอย๋ยเอเฟราอิมเอ๋ยนะครับในคำพยากรณทั้งหลายและเผ่าที่อยู่ทางใต้ครับแท้จริงแล้วก็จะมีเผ่า2เผ่าก็คือยูดาและเบนเจมินแต่ว่ายูดานั้นเป็นเผ่าที่มีจํานวนคนเยอะมากครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ ชื่อแทนว่ายูดาเอ๋ยยูดาเอ๋ยนั่นคือที่มาที่ไปของคําพยากรณ์พี่น้องครับในเช้าวันนี้บทเรียนก็คือเราจะต้องระมัดระวังครับในเรื่องของการรับคําปรึกษาและเชื่อฟังคําปรึกษาเราจะต้องขอคําปรึกษาจากพระเจ้าและคนของพระเจ้าครับนั่นแหละคือคําตอบเราต้องขอคําปรึกษาจากบรรดาผู้โอุโส ซ, ซึ่งมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ชีวิตและรักพระเจ้าด้วย ในขณะเดียวกันครับเราจะต้องดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้าในขณะที่เราพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายมีการกรบฏเกิดขึ้นต้องกลับมาสํารวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองนั้นทําอะไรไว้หรือสิ่งต่างๆที่เราทํานั้นเป็นน้ําันไทยของพระเจ้าหรือเปล่ากษัตาย์โซมอนพลาดครับเราต้องอย่าให้พลาดขอพระเจ้าช่วยเราครับในการที่เราจะดําเนินตามการทรงนําของพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์ติดสนิกับพระเจ้าและเชื่อฟังค ำ, คำบัญชาขององค์พู้เนเจ้าอาเมน